เพราะว่าเขาไม่เห็นความสําคัญของต้นไม้ต้นนั้นแต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีความสําคัญนะน้ำอยู่ที่ไหนก็ขุดมาใส่ใช่ไหมเหมือนแกันคนนั้นเห็นความสําคัญของชีวิตต้องสแสวงหา<ม>ตัวรู้สึกตัวนี้แล้วชีวิตจะไม่หี่ยวไม่เหี่ยวแห้งไม่เหีห่ยวแห้งตายไม่เฉาตายแต่ชีวิตส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้คุนส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้ชีวิตเฉาใช่ไหมเป็นทุกข์เศร้าหมองใช่ไหมขับแคนยากจนยากไร้